มนุษย์เรามีความคิดในเชิงลบด้วยกันทุกคนการจะเข้าถึงเนื้อแท้แห่งศาสนาเพื่อการบรรลุธรรมนั้นจะต้องพยายามพัฒนาศักยภาพเชิงบวกในตัวเราให้มากด้วยการเจริญสติและน้อมนำการปฏิบัติสู่วิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน องทะไลลามะการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐคือการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาการจะดําเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมถ้าเราสามารถนําเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ชีวิตเราก็จะ ประเรจะเรียกว่าเป็นพระอยู่ในการใช้ชีวิตแต่ละวันก็ได้การดําเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นทุกท่านทุกค น, นสามารถที่จะเลือกนําเอามาใช้กับตัวเราได้เราไม่ต้องว่าจะต้องบวชซะก่อนจะต้องไปเรียนซะ ก, ก่อนไม่ต้องในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตที่ประเสริฐ ประกอบด้วยปัญญาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเราต้องสร้างขึ้นมาต้องทําขึ้นเองการปฏิบัติธรรมเป้าหมายสูงสุดก็คือทําให้พ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้นั้นก็ต้องมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงของชีวิตปัญญาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการเจริญสติ สติจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะขยันมันรู้สึกตัวอยู่เสมอๆสติคือความร ะ, ะลึกได้เมื่อมีความรนะลึกได้เมื่อไรแล้วก็ก็จะประกอบไปด้วยสามปัญญะคือความรู้ตัวทุกครั้งที่เรามีสติก็จะมีความระลึกได้แล้วก็มีความรู้ตัวในขณะปัจจุบันนั้น มันจะเราพลิกมือหงายแล้วก็ลึกได้แล้วก็มีความรู้ตัวในการหงายมือนั้นหรือพลิกมือควา่าเราก็ระลึกได้และมีความรู้ตัวในขนาดนั้นด้วยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันระหว่างสติกับสัมผัชัญญาความระลึกได้แล้วก็ความรู้ตัวการก้าวเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวก้าวแต่ละครั้ง แล้วก็มีความระลึกได้แล้วก็มีความรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นด้วยเวลาที่จิตมันคิดขึ้นมาเกิดความคิดถ้าเรามีสติรู้ทันในความคิดขณะนั้นถ้าว่าเราระลึกได้แล้วก็เรารู้ตัวเสร็จจบลงที่ความรู้ตัวอันนี้คือการใช้ชีวิตด้วยปัญญาความรู้ตัวเนี่ยก็คือปัญญาเอง รู้บาปรู้บุญรู้กุณรู้โทษรู้อะไรประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทำเหตุตรงนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไรเห็นทั้งเหตุเห็นทั้งผลอันนี้คือตัวปัญญารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตเราสามารถใช้กายใช้จิตเนี่ยไปทาอะไรก็ได้ที่ถูกทำนองคลองทำไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเราให้เดือดร้อนอันนี้เป็นการปฏิบททัติธรรมทำให้เกิดปัญญา จรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเมื่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยเราจะสร้างความเคยชินแบบใหม่คือเคยชินที่จะมีสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอเสมออันนี้เป็นความเคยชินแบบใหม่และในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทําลายความเคยชินเก่าๆที่ชอบหลงลืมสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะความเคยชินเก่าๆขาดสติ เมื่อมีสติมากขึ้นมากขึ้นความหลงลืมสติมันก็จะหายไปเองสะสมไว้ในแต่ละวันแต่ละวันหนึ่งวันสองวันสวันคิดดูเถอะกว่าเราจะตายไปจากโลกนี้สติจะมากน้อยแค่ไหนก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อสติมากสติก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาคือเอาปัญญามาใช้ว่า ง, ง่ายๆก็คือจเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญา คือรอบรู้ในเรื่องเกี่ยกับกายกับจิตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเกิดปัญญาแล้วก็สบายทุกจะไม่เกิดขึ้นมันจะเริ่มเห็นแจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเรานะปัญญาทําให้เกิดธรรมวิจยะคือเห็นธรรมในตัวเรารู้ธรรมก็มาจากความรู้ตัวนะเมื่อเรามีความรู้ตัวก็รู้ธรรมไปในขณ ะ, ะเดียวกันนะจะเกิดธรรมวิจยะ เห็นรูปเห็นนามเริ่มไปกายแล้วนะเริ่มพัฒนาจิตแล้วจากจิตธรรมดาเนี่ยกลายเป็นจิตที่ฉลาดเห็นรูปเห็นนามสติเนี่ยทำหน้าที่แยกรูปแยกนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็รู้จักรู้เห็นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรูปนามนี่เป็นการละส ก, กายะทิฏฐิเลยคือมีความเห็นว่ารูปนามเนี่ยเป็นตัวเราของเรานะ เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วก็เริ่มได้ทางของการปฏิบัติที่ชัดเจนเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงของรูปของนามเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของรูปนามที่มีอยู่ในตัวเรานี่ะเห็นรูปเป็นทุกข์เนี่ยจะใจไม่เป็นทุกข์นะความเจ็บไข้ได้ป่วยความร้อนความหนาวความหิวความกระหายที่มันเกิดขึ้นที่รูปเราเนี่ย เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติแต่ใจไม่เป็นทุกข์มีสติเห็นแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขรูปที่มันผิดปกติให้เข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติได้เห็นรูปเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์ก็ทรรม้าที่แก้ไขไปคนเรานี่ถ้าว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักธรรมะแล้วก็เมื่อเวลารูปเป็นทุกข์คือส่วนร่างกายเป็นทุกข์ใจก็จะเป็นทุกข์ด้วย ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้ว่ารูปมันป่วยแต่ใจก็พลอยป่วยไปด้วยเพราะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ไอ้ที่ใจมันป่วยเพราะว่าขาดสติขาดปัญญาไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ารูปมันไม่ใช่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ใจป่วยมากเพราะว่าการปรุงแต่งในใ จ, ใจิตใจปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายนี่มันเป็นตัวเราของเราจริงๆเจ้ารูปประธรรมคือรูปประกายนี่แหละ มันเป็นตัวเราของเราจริงๆก็เกิดการยึดมั่นถือมั่นคิดปรุงแต่งวิตกกังวลกลัวสิ่ง น, นั้นกลัวสิ่ง น, นี้กลัว ร, รูปจะไม่หายกลัวเราจะเป็นทุกข์เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าเป็นเราเนี่ยเพราะการปรุงแต่งใจก็เลยเป็นทุกข์ใจคือส่วนของนามนามก็เลยพลอยเป็นทุกข์ไปด้วย <phon. S 2> ซึ่งทั้งรูปทั้งนามนี่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนกันเป็นตัวเป็นตเนตเพราะว่าความคิดที่ไปยึดมั่นถือมั่น ปรุงแตง่งว่าเป็นตัวเราของเราใจอะไเป็นทุกไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติรู้เต่าทันในรูปรู้เต่าทันในนามที่กําลังปรุงแตง่งจิตมันก็จะพ้นจากรูปจากนามเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้เฉยและก็ช่วยแก้ไขไปตามสิ่งที่จะแก้ไขได้สติเนี่ยเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะรู้ทันการปรุงแต่งในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะปรุงไปทางใดก็ตามสติรู้ทันการปรุงแต่งกับความคิดอันนี้คือสิ่งเดียวกันเมื่อเกิดความคิดแสดงว่าจิตมันปรุงแต่งละเมื่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยจะเห็นจิตที่มันปรุงมันแต่งมันสักแต่วานา ม, มาทําเท่านั้นเป็นเพียงอาการของจิตดูรู้เห็นก็จะสามารถปล่อยวางได้ก็จะอยู่เหนือการปรุงแต่ง อาศัยสติเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลอยู่การปรุงแต่งเข้าถึงจิตใจไม่ได้จิตมันก็สดใสเบิกบานบริสุทธิ์ผ่อนคลายเป็นปกตินี่เป็นความสุขสูงสุดเลยนะในทางพุทธศาสนานคือความสุขที่จิตไม่ถูกกิเลสปรุงแต่งรู้สึกอยู่เฉยๆด้วยสติสติสัมปชัญญะรวมเป็นความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผลในเวลาเดียวกันเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวจิจฉานั้นจะประกอบด้วยสมาธิจะประกอบด้วยปัญญาคุณสมบัติของความรู้สึกตัวเนี่ยเขามีความรู้มีความตื่นมีความสดใสเบิกบานอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้คือผลในขณะเดียวกัน ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันที่เป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านกินอิ่มนอนหลับเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยได้ที่พึ่งเห็นคุณค่าของตัวเรามองชีวิตไปทางที่เป็นบวกมากกว่าไปทางที่เป็นลบคนเรามากักจะมองตัวเองเนี่ยเป็ น, นทางลบเสมอ ไม่มีคุณค่าไร้สาระไม่มีความภูมิออกภูมิใจตัวตัวเองพราราขาดปัญญาขาดความรู้สึกตัวไม่มีที่พึ่งผมเองก็เคยมีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันตอนที่มีปัญหาชีวิตใหม่ๆเมื่อร่างกายต้องประสบบัตเทตุจนทั้งพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องอาศัยผู้อื่นทุกอย่างมองตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่า เราเนี่เกิดมาไร้สาระช่วยตัวเองก็ไม่ได้มองตัวเองไปในเชิงลบใจก็เศร้าหมองดูยังไงตัวเราก็ไม่มีค่าไร้ค่าแต่พอมาฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเองอาศัยความอดทนอดกลั้นอาศัยความขยันความอดทนและความขยันเนี่ยเป็นคุณธรรมนะถ้ามีขึ้นในตัวเราเมื่อไหร่แล้วก็มันเกิดความภูมิใจในส่วนหนึ่ง เห็นคุณค่างตัวเราบ้างช่วยตัวเองด้วยตัวของเราเองแล้วยิ่งมาปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองมองตัวเองในทางบวกมากยิ่งขึ้นเกิดความภูมิอบภูมิใจในตัวเราเราเกิดมานี่ไม่ไร้ค่าแนละ้วแม้ร่างกายผิดการจิตใจมันก็ดูแล้วไม่ไร้ค่าพราะ น, นําเอาสภาพที่ผิดการไร้สาระ นำมมปฏิบัติธรรมคือมาทําชีวิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วยิ่งเราคนพิการเนี่ยสามารถทําประโยชน์ให้คนมีร่างกายปกติไม่พิการได้แล้วก็ถือว่าประสบผลสาเร็จแล้วในชีวิตนี้มันเห็นคุณค่าของตัวเองนะเกิดความปภูมิปุ่มใจมีความสุขทุกไม่เกิดเนี่ยมนดีตัวเนี้ยปฏิบัติธรรมแล้วทุกไม่เกิดสติสามัญชัญญาถือว่าเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ เป็นธรรมมีอุปการะมากเพราะฉะนั้นพวกเราลองมาทําตัวนี้มากๆ ม, มาปฏิบัติธรรมมาใช้ชีวิตด้วยการเจริญสติอยู่เสมอๆ เ, เป็นการดาเนินชีวิตที่ประเสริฐมีสาระจะมองชีวิตไปทางที่เป็นบวกด้วยการเจริญสตินี่ละอย่าทําแบบรีบร้อนรีเพลงหรือลังเลสงสัยอะไรเลยเดินหน้าด้วยความรู้สึกตัวตะพฤต์เถื่อเวลากายเคลื่อนไหว ก็ให้มีสติรู้เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้รู้เท่าทันกายเวลาจิตมันคิดมันนึกก็ให้มีสติรู้ทันในความคิดนั้นตามรู้กายตามรู้จิตตามรู้ให้ทันในแต่ละวันแต่ละวันแต่ถ้ารู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเราก็เริ่มต้นมารู้ตัวใหม่ให้มันจบด้วยการรู้ตัวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วรู้จบแล้ว แล้วคอยรู้ใหม่เรื่อย ๆ, อยๆสะสมความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆใหม่ๆนี่เราต้องลงทุนเลยนะลงทุนที่จะขยันเจริญสติแต่พอสติมันเกิดขึ้นมามากแล้วเนี่ยความขยันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามมาเองทําแบบไม่ต้องไปหวังผลอะไรทําเรื่อยๆสบายๆทําง่ายๆรู้ง่ายๆรู้แบบสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งรู้สบายๆ ไม่ต้องหวังผลอะไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไปหวังผลว่าจะได้อะไรนะเวลาไม่ได้อย่างที่เราหวังแล้วก็ใจจะเป็นทุกข์ะไม่สนุกนะรู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสร้างเหตุให้มากๆเราสร้างเหตุโดยการขยันจเจริญสติผลเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการมันก็เกิดขึ้นมาเองตามสติตามกำลังที่ก็เรียกว่าแะยะถาสติยถาพลังตามมีตามได้ทำเหตุแค่ไหนได้แค่นั้น สมควรแก่ทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยเมื่อไหร่เราจะรู้สักทีเราต้องเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้เราจะมองชีวิตไปในทางที่เป็นบวกเห็นคุณค่าของการเกิดมาจะมีความสุขในชีวิตได้ที่พึ่งนี่แหละคือผลของการเจริญสติตลอดเวลาทุกๆวัน